สัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนสมัยที่ผมยังคงเป็นนักศึกษาในสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งตัวผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้สถานที่เกิดเหตุขอไม่กล่าวถึงเพราะถ้าพูดไปยังไงก็ต้องรู้แน่ เรื่องมีอยู่ว่าช่วงเวลานั้นผมกับเพื่อนได้รวมเงินกันไปเช่าหอพักแห่งหนึ่งซึ่งราคาค่าเช่านั้นมันถูกเก่ามากๆอาคารแห่งนี้จะมีรูปร่างลักษณะเป็นตัวยูบริเวณตรงกลางเป็นสนามหญ้ามีความสูงเพียงสองชั้นเท่านั้นและบรรยากาศจะเงียบสงบมากเวลากลางคืนคนที่จะเข้ามายังหอพักนี้ ต้องใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเท่านั้นไฟบริเวณถนนก็ไม่ค่อยจะมีเพราะโครงการที่ผมอยู่มันเกือบจะเรียกได้ว่าร้างเลยก็ได้ในห้องพักนั้นกว้างมากกว่าหอพักอื่นซึ่งเมื่อเทียบกับราคาค่าเช่าแล้วมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยคืนหนึ่งระหว่างที่ผมกับเพื่อนมาพักอยู่ที่นี่ได้ระยะหนึ่งแล้ว ผมจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่ใกล้จะสอบจึงนำโต๊ะญี่ปุ่นมาตั้งไว้อยู่ตรงกลางห้องเพื่อจะอ่านหนังสือส่วนเพื่อนนั้นนอนอยู่ข้างหลังผมโดยจะมีพื้นที่เหลือระหว่างผมกับที่นอนประมาณหนึ่งฟุตเมื่อผมได้ยินเสียงเพื่อนดิ้นบนที่นอนเหมือนกับว่ามันกำลังละเมออยู่ผมก็หันไปดูปรากฏว่า เพื่อนของผมนั้นมันนอนลืมตาแล้วจ้องมาที่ผมจากนั้นก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะพูดอะไรต่อผมแปลกใจแต่ก็ไม่สนใจนั่งอ่านหนังสือต่อไปอีกพักใหญ่แล้วจูๆ่ๆเพื่อนผมมันก็กระโจนลุกขึ้นมาจากที่นอนหน้าตาขาวซีดเหงื่อท่วมเต็มใบหน้าแล้วกระซิบบอกผมเบาๆว่า ไปเถอะไปจากที่นี่กันเถอะออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยพูดผมตกใจแล้วก็บอกให้มันใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆเล่าแล้วน้ําเสียงของมันก็เปลี่ยนไปจากเสียงกระซิบเริ่มกลายเป็นเสียงตะโกนด้วยความโมโหไปเถอะกูบอกให้ไปจากที่นี่ผมรีบลุกบิดลุกบิดประตูเปิดออกจากห้องไป แล้วพามันขับรถออกไปที่หน้าหมู่บ้านระหว่างทางเพื่อนผมมันก็นั่งตัวสั่นมันทําให้ผมพลอยใจเสียไปด้วยเมื่อขับรถไปถึงร้านข้าวต้มหน้าหมู่บ้านผมก็ถามมันว่าเป็นอะไรแล้วเพื่อนผมมันก็เล่าทั้งน้ําตาว่าขณะที่ผมกําลังอ่านหนังสืออยู่มันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหลังผมไป แล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นขณะที่ผมนั้นหันไปมองหน้ามันแล้วเห็นมันลืมตาอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังเดินวนเวียน ร, บรอบๆที่นอนอยู่เลยมันเลยตัดสินใจท่องนโมสามจบแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนหมอกควันที่สลายมันตัดสินใจที่จะนอนหลับต่อสักพัก ก็ได้ยินเสียงลมหายใจพอมันลืมตาขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็ลอยตัวขนานกับมันในท่าเดียวกันเหมือนกับที่มันนอนอยู่แล้วตะโกนใส่หน้าว่านโมตัสสะนโมตัสสะมึงมานอนมึงมาขอหรือยัง ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะหายไปนี่แหละสาเหตุที่มันบอกให้ผมกับมันรีบออกจากห้องไปเมื่อเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปเพื่อนคนนั้นก็ไม่มาเยียบที่ห้องเช่านั้นอีกเลยไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเหตุการณ์นี้มันยังคงติดค้างอยู่ในใจของผมกับเพื่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่ง ผมก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนชอบเรื่องลีลับชอบไปลองของยังสถานที่ต่างๆเรียกได้ว่าเป็นเกจิผู้ชานาญทางด้านนี้ได้เลยเวลาว่างของพี่เขาส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการตระเวนดูบ้านผีต่างๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เขาถึงเรื่องราวของสถานที่ที่ผมไปเช่าอยู่เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งพี่เขาก็ได้บอกว่าที่นั่นมันเป็นบ้านผีคนจะเรียกกันว่าหอแดงเพราะหลังคามันเป็นสีแดงครั้งหนึ่งเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งผิดหวังในเรื่องของความรักได้ตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตายโดยเธอได้ใช้ผ้าปูเตียงผูกคอห้อยลงมาจากชั้นสองแล้วศพก็ห่อยลงมาเกยที่ชั้นหนึ่ง ห้องที่เกิดเหตุนั้นจะมียันสีแดงแปะอยู่ที่แอร์ด้วยซึ่งมันก็คือห้องของผมกับเพื่อนนั่นเอง สัมผัสสยอง